ทีนี้แต่ถ้าอันตรายปกปิดล่ะอันตรายปกปิดแม้กระทั่งคนที่กําลังอยู่ในอันตรายนั้นก็ไม่รู้ตัวเนี่ยนะเช่นกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยนะถามมารู้ตัวไหมเวลาทุจริตนี้เหล่านี้เกิดขึ้นพูดเพ้อเจอนะคิดไม่มาตัวเองมีโทษไม่ค่อยคิดมันมีโทษเนี่ยนะเดินด้วยอํานาจโลภะโทสะ โ, โมหะบาปอกุศนทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยนะความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันปกปิดนะ เพราะตัวเองไม่ยอมรับว่ามันจะมีผลต่อไปว่ามันจะมีทุกมีโทษต่อไปใช่จะนามาซึ่งความเดือดร้อนนี่ก็ไม่ยอมรับเพราะฉะนั้ น, นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเหล่านี้จึงถือว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดปกปิด น, นะก็ปกปิดจริงๆร่งนะเราก็ไม่คิดว่าโลภะของเราที่ทำให้พูดชั่วทำชั่วคิดชั่วเนี่ยมันจะมีผลใช่ไหมก็เลยว่าปกปิด แม่นวร์ทั้งหลายนียการมฉันท่านิวร์พยาบาททีนัมิทธาอุทจักกุจาวิจิกิชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดเราก็ไม่คิดว่าอันตรายใช่ไหมง่ว ง, ง่วงซึมซึมเสื้อเสื้เบลอเบลก็อยากไปพักผ่อนก็คิดแค่เนี้นี่นะโกรธใครก็ไม่ได้คิดว่าอันตรายนี่ครอบมันหรือไปชอบพออะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่คิดว่าเป็นอันตรายด้วยไม่คิดนี่นะเดือดร้อนวันบาปอากุศลเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นอันตรายที่ปกปิด นะหรือราคาโทสะโมหะนี่นะอกุสลมูลถือโดยสุภาณิมิตปฏิฆานิมิตอุเบคานิมิต ด, ด้วยอำนาจกิเลสทั่วไปเนี่ยก็ไม่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอันตรายอะไรแม้กระทั่งความกโกรธความผูกโกรธนะเรานึกไม่ชอบใครนี่เราก็ไม่คิดว่ามันอันตรายใช่ไหมโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยยอมรับว่าอันตราย แม้กระทั่งการลบหลู่คุณท่านการตีเสมอริศยาตรณีมายาโอ้อวดหัวดือ้อแข็งดีดูมินถือตัวมัวเมาประมาทพวกนี้ก็ชื่อว่าเป็นศัตรูที่ปกปิดเหงือนกันคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่ค่อยเห็นหรือแม้กระทั่งกิเลส ท, ทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุศณธรรมทั้งปวงเนี่ยทั้งหมดที่กล่าวไปเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดนะ ปิดแม้กระทั่งคนที่เป็นเองก็ไม่รู้ตัวว่าจะมีทุกข์มีโทษเว้นไว้แต่ผู้มีปัญญาเพินสัตว์ทั้งหลายที่ถูกอันตรายเหล่านี้ที่ปกปิดนี่ครอบงำย่ำยีท่วมทับนะอันตรายทั้งภายในอันตรายทั้งภายนอกอันตรายที่เปิดเผยอันตรายที่ปกปิดนะชีวิตของสัตว์ที่เป็นอย่างนี้ถามว่าน่ากรุณาไหม นะอันตรายอยู่รอบได้อรอบด้านนะนะอันตรายภายนอกอันตรายภายในอันตรายภายนอกอกอ็เล่นงานทั้งร่างกายนะอันตรายภายในก็เล่นงานทั้งจิตใจถูกบาป อ, อกุศลเนี่ยครอบงำย่ายีท่วมทับอยู่นั่นแหละทีนี้คำว่าอันตรายแปลว่าอะไรว่างั้นแปลว่ามันครอบงำมีความหมายว่าครอบงำมีความหมายว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมมีความหมายว่าเป็นที่อยู่แห่งอกุศลทั้งหลายอันนี้ชื่อว่าอันตราย อันตรายเนี่ยนะฮะโดยเน้นอันตรายปกปิดเนี่ยนะอันตรายเนี่ยเพราะว่ามันครอบงําปราบปรามกดขี่ท่วมทับกําจัดย่ายีบุคคลนั้นอย่างนี้ชื่อว่าครอบงํามันครอบงําอ่ะมันครอบงำใช่ไหมราคะเกิดขึ้นก็ครอบงำเลยต้องโทสะเกิดขึ้นก็ถูกครอบงําโลภะโมหะมานะทิฏฐิทุจริตบาปอกุศลมันเกิดขึ้นมันครอบงําจริงๆอ่ะมันครอบงํามันจึงเป็นอันตรายเพราะถูกครอบงําอยู่ตลอดเวลาเนี่ย คนที่ถูกครอบงําทางความคิดเนี่ยนะที่ที่ถูกครอบงําในแง่ไม่ดีเนี่ยถามว่าเขากําลังตกอยู่ในอันตรายไหมก็กําลังตกอยู่ในอันตรายเราทั้งหลายเนี่ยถูกบาปอกุศลครอบงําย่ายีนี่ก็เหมือนกันนะนะกำลังตกอยู่ในอันตรายจริงๆเป็นอันตรายที่ปกปิดเป็นอันตรายที่ไม่รู้ตัวนี่นะนี่ไหนที่หนึ่งในที่สองบอกว่าอันตรายเนี่ยเพราะมีความหมายว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมนะเสื่อมยังไง ถ้าอันตรายมันเกิดขึ้นนะอันตรายคือทุจริตนิวรณ์อากุศลลมูลอุปกิเลสบาปอากุศลทุจริตเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันทําให้เสื่อมอยังไงแต่ว่าอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรทานแห่งกุศลธรรมทั้งหลายกุศลนี่หายหมดนะเนีคือถ้าราฆาเกิดขึ้นเนคขมะไม่เกิดเลยอะ่ะพยาบาทเกิดขึ้นเมตตาหายอะ่ะเนี่ยไหนถีนามิท่าเกิดขึ้นกุศลหายอ่ะเนี่ย อุทจักกุกุจักเกิดขึ้นก่อเดือดร้อนอีกแล้ววิจิข้าเกิดขึ้นก่อเดือดร้อนมันกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยกุศลหายหนะ้าหายตาไปหมดเลยนะเหมือนกับความมืดเกิดขึ้นเนี่ยความสว่างไม่รู้หายไปไหนหมดว่าจุดเทียนแล้วเทียนมันดับเนี่ยนะเออความมืดเออความสว่างหายไปไหนหมดนะนะก็เหลือแต่ความมืดอันบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันทําให้กุศลเนี่ยเสื่อมหายอันตรายหายไปหมดเลยถามว่ามันกุศลเหล่ากุศลธรรมเหล่าไหนเสื่อมหายไปละ บอกอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรธานแห่งกุศลเหล่านี้คือความปฏิบัติชอบอนะปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิบัตินเนี่ยนะเรียกว่าปฏิบัติดีอ่ะปฏิบัติตรงอ่ะเหมือนกันหรือความปฏิบัติสมควรเนี่ยนะคือเรียกว่าไม่ขัดขวางนะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่ออริยมรรคเป็นไปเพื่อแทงตลอดเป็นไปเพื่ออริยผลเพราะฉะนั้นอันตรายเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันไม่ให้ปฏิบัติอย่างนั้นหรอก คือปกติถ้าคนที่ไม่ถูกอันตรายครอบงำเนี่ยจะ ป, ปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพานแต่ถ้าอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยให้ปฏิบัติเพื่อนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานเนี่ยนะมันก็เลยปฏิบัติมันคนละปฏิบัติมันมันทำให้เสียหายจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเว้นจากการปฏิบัติไม่เป็นค่าศึกไม่ให้ปฏิบัติเพื่อตามประโยชน์นะไม่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งยิขึ้นไปนะอันตรายพวก น, นี้ทำให้ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ให้ปฏิบัติสมถะวิปัสนาเพื่อสมควรแก่โลกุตระธรรมนะาะออันตรายเหล่านี้ไม่ยอมทำให้ศีลบริบูรณ์นะไม่ทาให้ศีลบริบูรณ์นะไม่ทำให้คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายนะนะทำให้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะทำให้ไม่ปฏิบัติในชาคริยานุโยคทำให้ไม่มีสติสัมปชัญญะ ทำให้ไม่เจริญสติประฐานสี่ทำให้ไม่เจริญสัมมาประธานสีไม่ให้เจริญอิที่บาสีไม่ให้เจริญอินรีห้าไม่ให้เจริญพระละหโพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองคปดเพราะฉะนั้นกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะอันตรายเหล่านั้นเล่นงานเสียหายยับเยินหมดเลย น, นะคิดดูนะบาบากุศลมันเกิดขึ้นกุศลหายไปหมดอ่ะเนี่ยนะราค่าเราเกิดขึ้นนะคำสอนของพระพุทธเจ้าลืมหมดโทสะเกิดขึ้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเราลืมหมดอ่ะนะ แม้กระทั่งคําสอนอยังนึกไม่ได้แลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติตามคําสอนเหล่านั้นๆเพราะฉะนั้นพวกนี้อันตรายมากอันตรายต่อคุณงามความดีอันตรายต่อกุศลน่ะนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับเพลี้ยลงข้าวก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ต้นข้าวใช่ไห ม, มแมลงทั้งหลายล่นลงต้นมะกรูดก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แกต้นมะกรูดใช่ไหมเจ้าของก็เลยอดเลยต้องยอมสละใช่ไหมเพราะไอ้พวกนี้มันเป็นอันตรายต่อสิ่งเหล่านั้นๆนะโรคเกิดขึ้นก็เป็นอันตรายต่อ สรีระบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นมันเป็นอันตรายต่อกุศลทุกชนิดเลยแล้วก็อันตรายเหล่านี้สุดท้ายบอกว่าเป็นที่อยู่แห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเวลามันเกิดขึ้นนะมันเรียกว่ามันหาพวกอ่ะหาบาปมาสมักสมานสามัคคีกันมาอยู่ร่วมกันนะความเลวสามทุกชนิดมาเพาะหมดเลยนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับสมมติว่าเชื้อบางอย่างมันเข้าในสรีระใช่ไหม โอ้โหที่เหลือแต่โรคอย่างอื่นตามมาอีกบานเนี่ยขอให้มีอันนี้ก่อนเถอะเพราะงันพันพวกนี้จึงเรียกว่าอันตรายถามว่าที่ชื่อว่าอันตรายเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าเป็นที่อยู่ของอาคุส น, นี่นะเพราะว่าอาคุสรธรรมอลามกเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้นย่อมเป็นธรรมะอยู่อาศัยในอัตภาพนั้นนะ่ะมันอาศัยอยู่ในร่างกายนี่แหละไอ้พวกกิเลสพวกอันตรายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกนี้มันเกิดขึ้นนะถ้ามันพูดมันก็พูดชั่ว ถ้ามันคิดมันก็คิดชั่วทำมันก็ทําชั่วมันไออันตรายพวกนี้มันเกิดอยู่ในร่างกายนี่แหละเหมือนอะไรเปรียบเหมือนสัตว์ที่อาศัยรูก็ย่อมอยู่ในรูพวกที่อาศัยน้ําก็อยู่ในน้าพวกอาศัยป่าก็อยู่ในปา่าพวกอาศัยต้นไม้ก็อยู่ที่ต้นไม้ฉันใดอากุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอ่ะย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนี้เท่านั้นย่อมเป็นไปอาศัยอยู่ในอัตภาพก็แสดงว่ากิเลสตัณหาอันตรายเหล่านี้ไม่ได้เกิดที่ต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหม เกิดที่ในในอัตภาพนี้แหละเกิดในจิตในใจเราเนี่แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนอนะว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายพิสูอยู่ร่วมกับกิเลสอันอาศัยอยู่ในภายในผู้อยู่ร่วมกับกิเลสที่ฟุ้งซ่านย่อมอยู่ลำบากไม่ผาสุกเนี่ยนะกิเลสที่อาศัยอยู่ภายในเนี่ยนะเรียกว่าอันเตวาสกอะสร้างออกไปภายนอกก็คือพวกกลุ่มอาจารย์เนี่ยนะ ดูควาพิสูทั้งหลายก็พิสษุผู้อยู่ร่วมกับกิเลสอันอาศัยอยู่ในภายในผู้อยู่ร่วมกับกิเลสที่ฟุ้งสัน้นภายนอกเดียย่อมลำบากอยู่ไม่ผาสุกอย่างไรดูความพิสูจทั้งหลายอากุศลธรรมอ ล, ลามกมีความนำบริอันซ่านไปในอารมณ์เกื้อกูลแกสังโยตย่อมเกิดขึ้นแกภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปด้วยจักสุ อากุศลธรรมอลาโมกเหล่านั้นก็ย่อมสซ่านไปในภายในแห่งพิสูจนนั้นเพราะเหตุนั้นพิสูจนี้จึงเรียกว่าอยู่ร่วมกับกิเลสอันอาศัยอยู่ในภายในอนะคือกิเลสในภายในมันพาคิดไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโภตพภะในธรรมารมณ์ที่น่าปราถนาตัณหาก็เกิดขึ้นบาปอากุศลอย่างอื่นก็ครอบงำย่ํำยิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วก็อกุศลธรรมอาลาโมกเหล่านั้นก็กลุ่มรุมพิสูจน์นั่นคือเรียกว่าอยู่ร่วมกับกิเลส ท, ที่ฟุง้งซ่านเนี่ยนะอกุศลก็ครอบงำใช่ไหมนิวรนทั้งหลายก็ครอบงําย่ํายีท่วมทับ น, นะก็อยู่อย่างนั้นแหละในใ น, ในทวารทั้ง6เลยนะอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ที่อาศายัยกิเลสอาศายัอาศายอยู่ในภายในก็อยู่ร่วมกับกิเลส ท, ที่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกอ น, นะอันนี้ปกติของสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นจริงๆนะนี กิเลสภายในพาคิดไปเรื่อยฟุ้งซ่านไปเรื่อยพาหมกมุ่นคิดถึงรูปถึงเสียงคิดไปเรื่อยนะทีนี้อัดของคําว่าอันตรายพระองค์ก็ตรัสอธิบายว่าธรรมะสามประการเหล่านี้เป็นมนทินภายในผลทินก็คือเศร้ามองนะสิ่งที่เศร้ามองภายในอะ่ะเป็นอามิตรภายในเป็นฆ่าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายใน เป็นมนทินก็คือเศร้าหมองเป็นอมิตรคือศัตรูเป็นฆ่าสึกคือผู้จองเวนเนี่ยเป็นเพชฌฆาตพระผู้ฆ่าเป็นศัตรูก็คือไม่ช่มิตรเนี่ยนะปัญจมิตรน่ะศัตรูภายในสามประการที่ว่าคืออะไรคือโลภะเนี่ยเป็นมนทินในภายในเป็นอมิตรภายในเป็นฆ่าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในนะนั้นตัณหาเกิดขึ้นนะศัตรูเกิดขึ้นแล้วนะ โทสะนี่เป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นฆ่าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในโมหะก็เป็นฆ่าศึกอ่าเป็นมนทินภายในฆ่าศึกภายในอมิตรภายในเนี่ยเพราราคาโทสะโมหะนี่คือศัตรูเราว่างั้นเถอะเป็นมนทินเป็นอมิตรเป็นฆ่าศึกเป็นเพชฌฆาตเป็นศัตรูภายในนี่นะอันนี้เป็นอันตรายที่ปกติสัตว์ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าตัวเองกําลังตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอก ถ้าไม่ใช่อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่คิดเลยนะว่าราคาโทสะโมหะที่มันเกิดในจิตเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตจริงๆเป็นอันตรายต่อกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ก็เลยตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าโลภะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโลภะยังจิตให้กําเริบโลภะเป็นภัยเกิดขึ้นในภายในภารชนย่อมไม่รู้สึกถึงภัยนั้นคนผู้โลภย่อมไม่รู้อัด คนผู้โลภแล้วย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดความโลภครอบงำเมื่อนั้นรรชนก็มืดตื่อย่างเดียวเนี่ยนะก็คือคิดดูในะขณะที่โลภะเกิดขึ้นในทางดีนี่เรารู้อะไรบ้างอ่ะขณะที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยในทางดีอรู้อะไรบ้างโมหะเกิดขึ้นกนในยะเดียวกันเนี่ยนะมันทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดเลยนะประโยชน์ตนในภพ น, นี้ประโยชน์ผู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ลึกประโยชน์กว้างขวางเป็นต้นเนี่ยมันทําให้ไม่รู้ประโยชน์หรอกเหล่านั้นหรอกมันมันทำให้สิ่งที่ทําแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อ่ะนะความชั่วทางกายทางวาจาทางใจไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นไปเพื่อความทุกข์รอ้อนอ่ะกิเลสเหล่านี้ก็เสี้ยมซ้อนให้ทําแต่ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แบบนั้นแหละแล้วไอ้อกุศลเหล่านี้มันทําจิตให้กําเริบด้วยนะกำเริบจากอะไรกําเริบจากศีลกําเริบจากสมรถะกําเริบจาก วิปัสสนากรรมเริบจากกุศลทั้งหมดเนี่ยนะกุศลเราอื่นเสียหายหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะมันเป็นภัยที่ร้ายแรงมากแต่คนผ่านไม่รู้ว่ามันมีโทษนะเพราะอะไรเพราะไม่มีกรรมสักตาเนี่ย น, นะไม่รู้กรรมไม่รู้ผลของกรรมไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ผลแห่งบุญแห่งบาปพอไม่รู้ก็เลยไม่รู้ถึงพิษภยัยถึงโทษภัยของราค่าโทสะโมหะเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ ร, ราคาโทสะโมหะเนี่ยคนผ่านจะไม่รู้สึกถึงว่ามันเป็นภัยว่านํามาซึ่งชาติภัยชราภัยพยาธิภัยมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตหรือภัยจากเกิดเกิดจากการแสวงหาอาหารเป็นต้นเนี่ยนะภัยทั้งหลายแหลราชภัยโจรภัยอุทกภัยนะภัยที่เกิดจากไฟจากน้ําจากโจรจากพระราชาจากโลกไม่ดีเนี่ยนะหรือมาบวชเข้ามาแล้วก็มีภัยเกิดจากอะไรแค่ ว, วังน้ําวนคลื่นร้ายฉลามร้าย วันนี้พื้นี้ก็เป็นภัยนะแต่ว่าราคะเหล่านั้นโทสะโมหะไม่ให้รู้ว่าเป็นภัยอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นคนที่โกรธแล้วก็จะไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมขณะที่โกรธแล้วคิดถึงอริยสัตว์ไหมไม่เอาไม่คิดถึงทุกสัตวสมุทัยสัต์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์ไม่เอาสักอย่างเหตุผลก็ไม่เอาไม่อยากรู้แม้กระทั่งกรรมและผลของกรรมปกปิดตัวเองหมดเลยนะฉนั้นไม่รู้นะพาะตกอยู่แต่ในความมืด มืดจริงๆอะนะมืดยิ่งกว่าคืนเดือนมืดนะคิดดูนะมันมันเห็นอะไรบ้างรู้่ขณะที่อากุศลเหล่านี้เกิดขึ้นรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตรู้ปฏิจจสมุปบาทไ ม, ไม่รู้เพระนั้นก็ตกอยู่ด้วยความมืดมันมีแต่ความมืดอย่างเดียวเลยนะท่านดาสูตนี้ได้นะบอกโ oh, อ้โหศัตรูกําลังเล่นงานนะนะเพชฌฆาดกําลังเล่นงานอมิตรภายในกําลังเล่นงานนี่กําลังตกอยู่ในความมืดเนี่ยนะถ้าอยู่ในความมืดอย่างนี้ถ้าเดินต่อไปเนี่ยนะ สมมติถ้าเราอยู่บนภูเขาอย่างเงี้ยนะอยู่ในความมืดแล้วเดินอะ่ะกำหนดที่ทางไม่ได้เนี่ยวังได้ว่าจะไปไหนตกหิว